ทรัพที่ดีของแพทย์คือกสิกรรมและโครกขกรรมคือการเลี้ยงโครีดนม 4. ทรัพที่ดีของสูตรคือการเกี่ยวหญ้าการหาบหามแต่วันณะทั้งสี่นั้นก็ดูหมิ่นทรัพที่ดีไปทากิจอันไม่สมควรคือประกอบอาชีพอื่นนอกจากอาชีพเดิมประจำวันณนะในข้อนี้พระสมณะโคดมตรัสว่าอย่างไร